อืออ่าแล้วโอ้โหสยองขวัญ <c oughs> ก็มีความเชื่อในลักษณะนี้ในสังคมบนโลกใบนี้อยู่ไม่น้อย <c oughs> แต่ทีนี้ในส่วนของพุทธศาสนาของเราอะค่ะ <c oughs> <c oughs> ถ้าเราโกรธแค้นใครมาก <c oughs> ๆเราจะทำอย่างไรเขาดีครัท่านคะอ๋อพระเจ้าบอกว่าสมมติมีคนเอาเลื่อยอมาตัดตัวเราให้ออกเป็นสองท่อนนะคุณโยมติว๋ว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 เนื้อมึงของโลกอ่ะคุณโตไม่ได้ก็าคุณกินข้าวข้าวมาจากอะไรข้าวมาจากรดน้ำมาจากดินอันเล้วจะไปอะไรค่ะทีนี้ตัวอย่างของท่านมันอาจจะมันเกินสิ่งที่คนเราจะคิดถึงใครมาเลือดอันนี้ตัวอย่างของพุทธเจ้านีคะดิฉันขอประทานอาภัยจริงๆที่แย้งในส่วนนี้เพราะมความรู้สึกว่าคันเราเป็นท่อนๆเนี่ยโหดร้จริงๆไม่ต้องถึงขนาดหันเป็นท่อนน ะ, นะคะมาทําให้เราเจ็บช้ํา่้งกายสมมุตินะคะดิฉันยกตัวอย่าง ละครทีวีที่ฮิทๆเนี่ยของช่องสามเนี่ย uh huh. อ, อ, อะไรนะคะดอกส้มสีทอง uh huh. สมร่้คุณดีเนี่ยไม่ใช่เป็นคนดีมากเป็นคนธรรมดาทั่วๆไปรู้ว่าใครไาแย่งสามีตัวเอง <S <S อย่างนี้ก็ถือว่าเจ็ดช้ำทั้าใจละเป็นคนปกติธรรมดาทั่วๆไปในนิยายเรื่องอื่นโหต้องโปรดแค้นมากเลยนะคะ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 แล้วก็มีเมตตาจิตใช่มองเขายังไงคะก็คนนี้มาแย่ ง, งสามีดิฉันเนี่ยมองด้วยสยายตาความรักความเมตตา <c oughs> โอคนนี้เนี่ยเหรอแหมเขายังมีกิเลสอยู่ก็มีความทุกข์อยู่โอ้ยเขาจะไปพึ่งใครเรามีแต่ความรักความเมตต า, า, เ, าเขาจะมาพึ่งสามีเราเราก็ให้แบบใครเอ็นดูไม่เบียดเบียนท่านคะทีนี้อในส่วนของแผ่เมตตาที่เมื่อกี้มีบทเพลงชนะค่อนข้างละเอียดหรือว่า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 แผ่ให้สรรพสัตว์ทั้งหลายโดยผ่านบุคคลนี้คนที่เป็นคู่กรณีเราหรือเปล่าอ่าโดยใช้บุคคลนี้เป็นเครื่องทำจิตของเราให้มีความเมตตาอ๋ออ่าคือใช้คนที่เป็นโจ์ทำให้เรามีความทุกข์เนี่ยใช่เป็นอุปกรณ์ในการจะทาให้เราเกิดความเมตตาถูกต้องจิตของเราจะมีเมตตาได้ก็เห็นคนนี้แล้วเอาจิตที่มีเมตตานั้นแหละแผ่ไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลาย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 ก็จะมีะการเขียนบทนี่นแหละมันจะต้องเอ า, าธรรมะสอดแทรกเข้าไปในทุกเรื่องทุกอย่างเพื่อจะเป็นการดีค่ะนี่ก็เป็นทีนี้ท่านคะใ น, นมองในทางกลับกันตามข้อเท็จจริงของหัวข้อข่อขาวเนี่ยการที่แก้แค้นด้วยทีตาต่อตาฟันต่อฟันอย่างนั้นเนี่ยในทางพุทธนี่มันเป็นยังไงครับผลนะค ะ, ะผลก็คือว่าความแค้นอะไรต่างๆนี่นะมันไม่มันมีการผูกเวรเนี่ยมีโยมติว๋วกรรมเนี่ยมี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 ในโอกาสต่อไป <S <S ในประเด็นเหล่านี้เพราะว่าน่าสนใจมากใช่ใเชื่อว่าท่านฟังทั้งหลายก็น่าจะสนใจโดยเฉพาะคนที่มีความรู้สึกว่าเอ๊ะเรากําลังทํางานในทํามนองนี้อยู่นะคะวันนี้น้องส ก, กันขอบพระคุณท่านเป็นอย่างยิ่งเลยคะ <S <S <ๆ>่ะค่ะเป็นพรสักท่านฟังทั้งหลายก็คงจะได้ประโยชน์กันตามควรทีเดียวนะคะกับการตอบคําถามของพระอาจารย์เพย์บูลส่ว น, นรายการของเราเราจะหยุดเสรราร์อาทิตย์ค่ะ <S <S ถ้าท่านเพบูลเนี่ยท่านขยันมาก